ถ้าฟุ่งซ่านจิตจะกระโดดไปเรื่องน้นเรื่องนี้สเปดสะปะแต่ถ้าเป็นตรึกนึกจิตจะจดจอ่อกับเรื่องเดียวแล้วยังแยกออกไปได้อีกคือจดจอ่อแบบแช่อย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆโดยปราศจากที่สิ้นสุดชัดเจนกับจดจอ่อแบบคิดรอบด้านเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาคำตอบสุดท้ายแล้วหยุดตรึกนึก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 ความรู้สึกเกี่ยวกับอัตตาตัวตนก็จะพลอยชัดตามไปด้วยแต่ถ้าพลิกกันด้วยสติของผู้เจริญภาวนาสัญญายิ่งปรากฏชัดเท่าไรความดับไปของสัญญาก็ยิ่งปรากฏชัดเท่านั้นตามไปด้วยและเมื่อมีความเพียรเห็นความดับของสัญญาชัดเจนหลายครั้งเข้าสติญญที่รู้เห็นนามธรรมาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกที